ให้เกิดสติปัญญากับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในเช้าวันนี้ก็ขอให้ผู้ประพิปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ทำหน้าที่ของตนได้ทำในสิ่งที่เราสมควรทำ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 แล้วเราก็ตัดสินด้วยใจเราเองบางครั้งเราตัดสินตัดสินไปแล้วมันถูกต้องบางครั้งแลที่เราตัดสินไปแล้วมันไม่ถูกต้องนะมันจะเกิดอะไรขึ้นใจเราก็เจ็บอีกเหมือนเดิมบางครั้งเราตัดสินใจไปมันดีแล้วแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นมาละ่ะ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 ฟังแล้วดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้เขาใจแต่ถ้าเราทำความเข้าใจได้เนี่ยเราก็จะรู้ใจเราเมื่อเรารู้ใจเราเนี่ยเราก็สามารถไม่ให้ใจเราเจ็บได้ไม่ให้ใจเราช้าได้ไม่ให้ใจเราทุกข์ได้ไม่ให้ใจเราเดือดร้อนได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้ประิตปฏิบัติ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 ถ้าเราแค่มาถือศีลอย่างเดียวเราไม่ได้สวดมนต์เราไม่ได้ทําวัดเราไม่ได้ทําสมาธิจเจริญภาวนาเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราก็จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเพราะฉะนั้นเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้อยู่แล้วมันต้องไปคู่กันและก็ต้องไปด้วยกันก็นในเช้าวันนี้ก็ขอให้ผู้ที่ได้มีโอกาส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 เอาละในเช้าวันนี้ก็ขอให้ผู้ประปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ค่อยๆลืมตาออกจากสมาธิเพื่อที่จะได้กวดน้ากับพระพิสุสงครั้งหนึ่งไม่ต้องรีบเนาะค่อยๆลืมตาขึ้นเพื่อที่จะออกจากสมาธิการออกจากสมาธิเนี่ยเราก็ต้องรู้